เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษ ok, ัทอ um, ุบาสกขุบาศิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่หกพุทธสภาคมพุทธศักราชสองัเป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฟังธรรมวันชำระกายวาจาใจ ให้สะอาดปราศจากอากุศลเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่ทำให้จิตใจวุ่นวายจิตใจไม่สงบจิตใจวิตกกังวลหวาดกลัวไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะไม่ได้คอยคอยชำระอากุศลให้ออกไปจากใจ อากุศลนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับสิ่งสปกปรกคราบสปกรบสปกรกที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราใส่เสื้อผ้าแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องถอดออกไปซักออกไปล้างเพราะถ้าไม่ถอดใส่ซ้ำไปนานๆเข้ามันก็จะส่งกลิ่นเหม็นจะทำให้ไม่มีความสุข ฉันใดใจเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่จะต้องมีการแปดเปื้อนจากอากุศลต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันชำระใจคือวันพระไว้อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันควรมากำจัดมาชำระอกุศลเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้ใจหัวหมองทำให้ใจ เืมเศร้าทำให้ใจไม่เบิกบานไม่สดชื่นไม่มีความสุขถ้าได้ชำระแล้วใจก็จะมีความสุขขึ้นไปตามลำดับดังที่พระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วว่าใจที่สะอาดนำความสุขมาให้ใจที่มัวหมองนำความทุกข์นำความเศร้ามาให้แก่ใจ ดังนั้นวันพระจึงเป็นวันที่พวกเราต้องมาชาระใจกันชาระอากุศลที่ทำให้ใจของเราซึมเศร้าทำให้ใจของเราเครียดทำให้ใจของเราหวาดทุกโกรววิตกกังวลวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆอากุศลสิบประการนี้มีอะไรบ้าง มีอกุศลทางกายอยู่สาอากุศลทางวาจาอยู่สอกุศลทางใจอยู่สารวมกันก็เป็นสิบอกุศลสิบนี้เป็นสิ่งที่เราชำระได้เพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ชำระมาแล้วหลังจากที่ได้ชำระแล้ว จิตใจของท่านก็มีแต่ความสดชื่นเบิกบานมีแต่ความอิ่มความสบายไม่มีเรื่องวุ่นวายใจไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าส่งเสียใจดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เอง รู้เหตุที่ทําให้ใจสุขรู้เหตุที่ทําให้ใจทุกข์ตอนนี้ท่านมาสอนพวกเราว่าเหตุที่ทําให้พวกเราทุกข์ก็คืออกุศลเราต้องหมั่นชําระมันให้หมดไปจากกายวาจาใจของเราอกุศลทางกายก็มีอยู่สาคือหนึ่งการฆ่าสัตว์รักสองการลักทรัพย์ สามการประพฤติผิดปรเวณีนี่คือการกระทำที่จะทําให้จิตใจอุ่นวายว้าวุ่นขุ่นบัววิตกกังวลเดือดเนื้อร้อนใจการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะไม่กระทํากัน เพราะชีวิตของใครก็มีค่าเท่าๆกันชีวิตของเรามีค่าอย่างไรชีวิตของผู้อื่นก็มีค่าอย่างนั้นเราไม่อยากให้คนอื่นมาถค่าเราเราก็อยากไปค่าคนอื่นเพราะถ้าเราไปค่าคนอื่นก็จะเกิดการจองเวรจองกรรมกันมากันขึ้นมาคนอื่นค่าเรา เราก็จะจองเวรจองกรรมเขาเราฆ่าเขาเขาก็จะจองเวรจองกรรมเราต่อไปเราก็จะต้องถูกคนอื่นฆ่าเราฆ่าผู้อื่นอย่างไรเราก็จะต้องถูกผู้อื่นฆ่าเราอย่างนั้นอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมอาจจะไม่ถูกฆ่าในชาตินี้ก็ได้แต่ชาติต่อไปที่เรามาเกิดใหม่ ก็ต้องถูกฆ่าอย่แน่นอนไม่ช้าก็เร็วเมื่อถึงเวลาที่กรรมจะส่งผลหนีไม่พ้นถ้าไม่อยากจะให้ผู้อื่นฆ่าเราเราก็อยากไปฆ่าผู้อื่นการฆ่าผู้อื่นทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราวิตกกังวลอยู่ไม่เป็นปกติสุขหวาดกลัวกลัวจะถูกจับไปลงโทษ หรือกลัวจะถูกฆ่าเป็นเพื่อการล้างเวลรล้างกรรมกันถ้าเราไม่ฆ่าผู้อื่นเราก็จะไม่มีความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดนี่คือข้อที่หนึ่งอย่าไปฆ่าผู้อื่นข้อที่สองก็คืออย่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่าไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมา ถ้าของไม่อนุญาตอย่าไปเอามาอยากจะได้อะไรของผู้อื่นให้ขออนุญาตจากเจ้าของอก่อนถ้าเจ้าของอนุญาตเอามาก็ไม่บาปไม่เป็นเวรไม่เป็นกรรมแต่ถ้าเอามาโดยที่เขาไม่อนุญาตก็จะเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปต่อไปเราก็จะถูกคนอื่นมาลักทรัพย์ของเราไป เราทำอะไรกับใครไว้เราก็จะได้รับผลอย่างนั้นกับตัวเราเองเขาเรียกว่ากงกรรมกรงเกวียนหนีไม่พ้นเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าชาตินี้เราถูกลักทรัพย์ก็ขอให้คิดว่าชาติก่อนๆเราเคยไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาชาตินี้เราก็เลยต้องถูกเขามารักทรัพย์ของเราไป ถ้าไม่อยากให้ผู้อื่นมารักทรัพย์ของเราเราก็อย่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาพูนวายใจมาวิตกกังวลเวลาเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วใจของเราก็จะไม่สบายเหมือนกับตอนที่เราไปฆ่าผู้อื่นเพียงแต่โทษหนักเบาต่างกันการฆ่าผู้อื่นนี้มีโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ เพราะคุณค่าของทรัพย์นี้ด้อยกว่าคุณค่าของชีวิตนั่นเองโทษหนักโทษเบาอยู่ที่คุณค่าของสิ่งของที่เราไปทำลายเราทำลายชีวิตนี้มีโทษหนักกว่าการไปรักทรัพย์ของผู้อื่นดังนั้นอย่าลักทรัพย์รักษาสินข้อสองไว้ให้ได้อดินาดานาเวรมณี รักษาศีลข้อหนึ่งคือปานาธิปาตาเวรามณีแล้วก็รักษาศีลข้อสามคือกาเมสุวิชชาจาระเวรามณีละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีก็คือจะไม่ไปร่วมหลับนอนกับบุคคลอื่นนอกจากคู่ครองของเราคือสามีของเราภรรยาของเรา เท่านั้นถ้าอยากจะร่วมหลับนอนยังเป็นโสดอยู่ก็ต้องไปสู่ขอให้ถูกประเพณีต้องทำให้ถูกประเพณีกาเมสุวิชาจาราเวลรมณีก็คือการไม่ประพฤติผิดประเพณีนั่นเองประเพณีของการร่วมหลับนอนก็ต้องมีการสู่ขอมีการได้รับอนุญาต จากบิดามารดาของบุคคลที่เราอยากจะเอามาเป็นคู่ครองของเรา<ม>ทำให้ถูกต้องประเพณีแล้วก็จะได้ไม่ทำผิด<ม>ทำผิดแล้วต่อไปก็จะต้องถูกผู้อื่นเขามาทำผิดกับลูกหลานของเราหรือภรรยาของเราถ้าเราไป แอบมีอะไรกับสามีของผู้อื่นกับภรรยาของผู้อื่นหรือกับลูกกับล้านของผู้อื่นต่อไปเราก็จะถูกทําเหมือนกันต่อไปภรรยาของเราหรือสามีของเราก็จะไปแอบไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นหรือลูกล้านของเราก็จะถูกผู้อื่นมาล่วมเกิดได้ แต่ถ้าเราไม่ทํากรรมนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานี่คืออกุศนทางกายมีอยู่สาข้อด้วยกันขอให้เรารักษาไว้ให้ได้เช่นวันนี้วันพระเป็นวันที่เรามาสมาทานศีลกันเรามาลาะเว้นจากการฆ่าจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดตเวณีกัน ถ้าเรารักษาได้ในวันนี้ต่อไปเราก็จะรักษาได้เพิ่มขึ้นไปเพราะเราจะเห็นคุณค่าของการได้รักษาสีงปัจจุบันก็คือใจของเรามีความสงบมีความสุขไม่วุ่นวายใจไม่วิตกกังวลกับการทำบาปของเราตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรย์ไม่ต้องไปตกนรกนี่คืออ น, นิสงส์ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราสามารถชำระอากัสลทั้งสามทา ง, งกายนี้ได้ส่วนอากัสรทางจิตทางวาจาก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือ การพูดบด 2. การพูดคำยาสาการพูดเพ้อเจ้อสการพูดส่อเสียดคำว่าส่อเสียดก็คือพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีนี่คือการพูดที่เราไม่ควรพูดเพราะพูดไปแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เวลาเราพูดโกหกเช่นเราไปยืมเงินเขามาแล้วเราก็ไม่คืนเงินเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการพูดโกหกแล้วก็เป็นการลักทรัพย์เป็นสองกระทงถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเงินคืนเขาได้ <c oughs> ก็อย่าไปกู้หนี้ยืมสินของผู้อื่น ขอให้เราพูดความจริงอย่าพูดปดเพราะการพูดปดจะทำให้ผู้อื่นเขาหลงผิดได้เห็นผิดเป็นชอบได้เช่นพูดปดว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้เพื่อให้เขาโกรธเกลียดคนนั้นทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดอย่างนี้ก็จะเป็นการพูดที่ไม่ดี ทำให้ผู้เดือดร้อนล้วต่อไปพอเขารู้ว่าเราเป็นคนพูดบดคาพูดของเราก็จะไม่มีความหมายจะไม่มีน้าหนักจะไม่มีใครเชื่อถือเราพูดอะไรจะไม่มีใครเข้าเชื่อถือเราดังนั้นขอให้เราอย่าพูดบทข้อที่สองก็คือไม่ให้พูดคำหยาบเพราะการพูดคำหยาบนี้ก็เป็นเหมือนกับ การเอาขยะมาแจกให้คนอื่นนั่นเองไม่มีใครอยากได้ขยะมีแต่คนอยากจะได้ของดีของสะอาดคำพูดหยาบนี่ก็เป็นคำพูดสกปรกพูดไปแล้วคนฟังก็ไม่อยากจะฟังฟังแล้วคนฟังเขาก็จะเบื่อคนพูดจะไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนพูดคำหยาบ จะทำให้เป็นคนน่ารังเกียจไม่มีใครรักไม่มีใครเคารพนับถือนี่คืออกุสนคือการพูดคาหยาข้อที่สามก็คือการพูดเพ้อเจ้อการพูดเพ้อเจ้อก็คือการพูดไม่มีสาระประโยชน์ฟังแล้วไม่ได้อะไรเวลาพูดอะไรควรจะพูดในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ คนฟังฟังแล้วจะได้รับความรู้จะได้เอาความรู้จากที่เราพูดเอาไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้ mm hmm. เช่นพูดบอกวิธีทำกับข้าว mm hmm. วิธีเย็บปักถักร้อย mm hmm. วิธีทำเสื้อผ้า mm hmm. อะไรต่างๆเหล่านี้พูดแบบนี้แล้วเกิดประโยชน์คนฟังเขาฟังแล้วเขาก็จะได้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์กับ ตัวเขาได้เขาก็จะเห็นคุณค่าของคำพูดของเราเช่นพระพุทธเจ้านี้พวกเราไม่เคยได้พบได้เห็นเลยแต่เราได้ได้อ่านคำพูดได้ยินคำพูดของพระพุทธเจ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชีวิตของเรามีความทุกข์น้อยลงเราไม่เคยพบพระพุทธเจ้าแต่เรากล่าวพระพุทธเจ้าได้อย่างสนิทใจเรากล่าวพระพุทธเจ้าด้วยความรักด้วยความลบความเคารพอย่างจริงใจก็เพราะคำพูดของพระพุทธเจ้านี้เองที่เป็นคำพูดที่เป็นประโยชน์ใครได้ยินได้ฟังแล้วสามารถรับประโยชน์ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งแต่ประโยชน์ขั้นต่ำไปจนถึงประโยชน์ขั้นสูงสุดเลยนี่คือเรื่องของการพูดไม่เพไม่พูดเพ้อเจ้าคำพูดเพ้อเจ้านี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นพูดนินทากาเลพูดเรื่องการบ้านการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้พูดไปแล้วก็จะทำให้ใจไม่สบายไปเปล่าๆ วุ่นวายใจไปเปล่าๆฉะนั้นขอให้เราพยายามอย่าพูดสิ่งที่ไร้สาระต่างๆพูดในสิ่งที่มีคุณเป็นมีคุณมีประโยชน์เป็นความรู้ที่ดีข้อที่สี่ก็ให้ละเว้นจากการพูดส่อเสียก็คืออย่าไปพูดยุยงให้คนเขาแตกสามคีกันเช่นอย่าไปยุยุสามี ให้โกรเกลียดภรรยาอย่าไปพูดยุภรรยาให้โกรเกลียดสามีอย่าไปพูดยุให้ลูกโกรเกลียดพ่อแม่อย่าไปยุพูดยุให้พ่อแม่โกรเกลียดลูกอย่าไปพูดยุให้เพื่อนฝูงโกรธเกลียดกันพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ควรพูดเพืพ่อให้เกิดความสามคัคคีเกิดความรักกัน เพราะความสามัคคีจะทำให้สังคมนั้นเป็นปึกแผ่นแน่นหนาการแตกแยกสามัคคีจะทำให้ ส, สังคมแตกแยกและล่มสลายได้เช่นสังคมครอบครัวสังคมในที่ทำงานหรือสังคมใหญ่ก็คือประเทศชาติเราต้องพูดเพื่อให้ คนเรารักกันชอบกันอย่าไปพูดให้คนแตกแยกกันวิธีพูดที่จะทำให้ไม่เกิดความแตกแยกกันก็คืออย่าไปพูดในเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันให้พูดแต่ในเรื่องที่มีความเห็นตรงกันอันไหนที่เรารู้ว่าพูดแล้วจะเกิดการทะเลาะกันก็อย่าพูดพูดในสิ่งที่ทำให้เกิดความสมารมารสามคี พูดแล้วเกิดความรักความชอบกันเพราะว่าเป็นปกติของมนุษย์เราย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ไม่มีใครที่จะมีความเห็นเหมือนกันไปเสมอนักปราชญ์ท่านถึงสอนว่าให้สมวนส่วนต่างให้ประสานส่วนเหมือนสมวนส่วนต่างก็คือความคิดที่มีความต่างกันก็อย่าแสดงออกมา ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อย่าไปพูดเรื่องนั้นพูดในเรื่องที่เขาชอบพูดแล้วก็จะเกิดความรักความสามัคคีกันอยู่ด้วยกันได้ถ้าพูดในสิ่งที่เขาไม่ชอบก็จะเกิดความโกรธเกลียดกันเกิดความแตกแยกสามคัคคีแม้แต่ในสังคมเล็กๆสังคมในบ้านก็เกิดความแตกแยกกันได้ พราะความเห็นที่ไม่ตรงกันนี่ดังนั้นถ้าเรามีความเห็นที่ไม่ตรงกับผู้อื่นเราก็สมวนเก็บเอาไว้อย่าไปพูดเราไปพูดกับคนที่เขามีความเห็นเหมือนกับเราแล้วก็จะไม่มีปัญหาตามมาเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเขาเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เราก็จะพึ่งพาอาศัยกันได้ในยามตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนนี่คือเรื่องของการไม่พูดส่อเสียดอกุศลทั้งสีประการนี้คือการพูดปดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อและการพูดส่อเสียดเป็นการพูดที่ไม่ดีพูดไปแล้วจะเกิดโทษ ไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์เพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราละการพูดที่ไม่ดีเหล่านี้ให้ละอกุศลทางวาจาทั้งสี่ประการนี้เพื่อความอยู่อย่างสงบสุขนั่นเองอกุศลทางใจก็มีอยู่สามข้อด้วยกันคือความโลภความโกรธและความหลง เวลามีความโลภแล้วใจจะไม่สบายเวลามีความโกรธใจจะไม่สบายความโลภความโกรธจากอะไรเกิดจากอะไรก็เกิดจากความหลงนั่นเองความหลงคืออะไรก็คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเช่นเห็นว่าทําบาปแล้วไม่มีโทษตามมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลง หรือว่าเห็นว่าการเสพอบายามุขแล้วมีความสุขอันนี้ก็เป็นความหลงเพราะเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วก็มีความทุกข์ตามมามองไม่เห็นความทุกข์กันคนที่เสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดครานี้จะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าได้ จะไม่มีความสุขได้จะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการกระทำเหล่านี้เป็นการดึงให้ไปสู่ความทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าหลงให้เราเห็นโทษของสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราคิดว่าดีที่คิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้ความจริงมันมีความทุกข์ทั้งนั้น มันมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยง ม, มันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วข่าวเวลาเราได้อะไรมาเราก็ดี อ, อกดีใจมีความสุขแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้มานี้วันดีคืนดีก็จะจากเราไปได้เวลาเขาจากเราไปเวลานั้นก็เป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่อยากจะโลภ เราก็ต้องคอยสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาดีกับเราให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดเขามีการเปลี่ยนแปลงเราห้ามเขาไม่ได้เช่นแฟนของเราเวลาเจอกันใหม่ๆเขาดีกับเราไปหมดทุกอย่างแต่พอ อยู่ด้วยกันไปนานๆเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปจากการดีก็มาเป็นการไม่ดีแล้วเราอยากให้เขาดีเราก็ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวเรานั่นเองเขาไม่ใช่ของเราเขาทำอะไรตามความชอบใจของเขาเวลาเขาทำไม่ดีเราไปห้ามเขาเขาก็ไม่ยอมทำเขาก็ไม่หยุด นี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงเหล่านี้เราก็จะไม่ไม่มีความโลภอยากได้อะไรเวลาไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธก็เกิดจากความโลภนี่เอง เวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ยดังใจก็โกรธคนที่มาขัดใจเราอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนแฟนไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยก็โกรธแฟนอยากจะไปเที่ยวแฟนไม่ยอมให้ออกไปเที่ยวก็โกรธแฟนอยากจะทำอะไรแฟนไม่ยอมให้ทำก็จะโกรธแฟนขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากเที่ยวไม่อยากหลับนอน กับใครเราก็จะไม่มีความโกรธใครนี่คือวิธีชาระอกุศลทั้งสามประการชาระความหลงด้วยปัญญาด้วยธรรมะคำสอนของพระพระเจ้าด้วยสัมมาทิฏฐิที่จะสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอย่างนี้เราก็จะไม่โลภอยากได้อะไรเพราะเราไม่อยากจะได้ความทุกข์น so ั่นเองพอเราไม่โลภอยากได้อะไรเราก็จะไม่โกรธพอเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจเราก็สงบมีความสุขไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรทำให้เรามีความสุขไม่ต้องร่าไม่ต้องรวยไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตเพราะความร่ำรวยความเป็นใหญ่เป็นโตไม่สามารถ ดับความโลภความโกรธความหลงได้ไม่สามารถทําใจให้สงบไม่ให้วุ่นวายไดย้มีแต่ธรรมะของพระพทธเจ้าเท่านั้นที่จะทําได้เราจึงต้องมาวัดอยู่เรื่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาที่จะหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงนเอง ดังนั้นขอให้พวกเราหมั่นมาวัดอยู่บ่อยๆแล้วก็มาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างวันนี้เราก็มาชำระกายวาจาใจชำระอกุศลทางกายด้วยการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีชำระอกุศลทางวาจาด้วยการไม่พูดปดไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสีย กำระอกุสลทางใจด้วยการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้าเราทำอย่างนี้ได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมตามมาอย่างแน่นอนเพราะเป็นผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รักกันแล้วนั่นเองจะเป็นผลของเราต่อไป ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติกันได้การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แค่ค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเถิด